ว่าจผ้าว่าบนางน้ำได้นี่ยพักกันบาดูเบาด้านมื่อเดี๋บอกพักกันพร้อมกันว่ดาตรงทางเนี่ยฮเพื่อเี่ยบมุนี่บมุนใครได้ไปสะดวกอยเดียวเพราะเหตุเพ้าะไหวกาลังมันหมเห่ายังยึดอยู่ปรยกันว่าตัางวัดต่างว่ามีรักษาพงานดุประเทศเพราะไห้ดูหลานเขา เ่ยมาทางวัดข้างเกาะปัดอ่างมันค้นที่เม็ดไหว่มันจะดีมีประโยชน์กบขุดเสากบแกดูดหลานมาตังวัดถึงจะยั่งเกือบรถทุกคนถึงตัวชุดเท่านี่พระกันเม็ดพระกันเม็ดาไหวมนเป็นอนุสรณ์มาไววัดนี่มันจะดีวัดนี่แห้มันจิดีกับคนทางนั่นแหละเป็นทางดอกมไหว มือข้าวมันเป็นยังดอกตอไปตอมาบ่ฮดูดานค้ายห้ครหน้าหคนนั่นคนี้นกันลแต่ื่อถามก็ไปเรื่อยไปนเร็ดไหวแต่มันข้สบายอืมเรไปแมัน้ง่ายสบายแกดูแกดานแกบานาวเนื้อดิเนื้อยาพอเสียงตทนทางนี่ยให้พักกันคิดให้มันดีง่าย เหตุหนทางมันได้บิสุทคนอืม่แต่คล้องมินแตได้เพราะว่ามันจะค้องมินได้บิสุได้ให้มันสะดวกไปนั่นๆอมันดีส่างหนนทางส่างมอน้าพอมีเข้าเป็นว่าเนี่ยมันจะบุญหลายค้ดไปไกลไกคนหนทางกันที่ไม่เรียกระดดแล้วนี่ประโยชน์ ไปหอดคนุณบวุฒิดุหลานมันโมคิดโมเียงกันมันโมเหน่อโซิ่งกันปัญหาอันนี้มันหายเลยินถ่นนทนท่างเที่ยวไปเทีอมามันก่อสะดวกวัดบ้านวัดเมืองบอหนามกันทุกันคันคุดก็อะไรเดีวผู้ไดคุดสมันกินน้ำยางไปยังช่างต้องจัดกินต้องราบต้องสงมังัเรืองอะเนี่ยเามันในบุญเป็นไพ่กลางหรือกินโดด พอได้เห็นนหีหาก็ได้กินในอาได้ใส่เป่นไปบ้านห้าห้าไปบ้านคนอันนี้สมวัม <c oughs> สมวัดของโลกจางโลกไ้มันสะดวกห้าไปอยู่ในโล ก, ลกดูดานไปอยู่ในโลกมันกันสะดวกพู <c oughs> ดต <c oughs> ามธรรมะข้ามสอนของคน <c oughs> ตายไปเียวเกิมาเกิดอีกเิเ่มเกิดเช่นมูนีรัก <c oughs> ไม่ฮะการตนทางเวลาเดี๋ยวมันสียง่ายก่โชว เป็นว่าทางังหมไฟได้เกิดความทั้งหถดไฟทัางรถดไฟมาได้ด mm hmm. จังเกิดจึงมันไฟเหตุัวไวไ้ใส่โดดไดนั่งโดดที่กันเนี่ยสำคัญโดยเน้อดกพราการเกิด mm hmm. ของกว่วงนี่เงาองพอไหวพอพนจเจ้าเข้านั้นนี่จะเหลืองเมตตา mm hmm. เหลืองกรลวิา mm hmm. เหลืองมูทิจตา ขำจูนโลกนะทั้งหลายนะมีจตาคือความหักกันกระโดนหน้ากระเดิดว่าความสงสารกันมูทิตาก็ะเดิดว่าความพ่อยยิ่งดีผู้ที่ทำดีทํางามพ่อยยิ่งดีตามอืตามเรื่องไัยมันเรื่อนี้บ้านเมืองเข้าก็ต้องจ้องการต้องการความสงบความเงียบ ต้องการควอมสบายต้องการควอมเบียบดดอยต้องการใะไของนี่ระเบียบต้องการควมสขุข้อมสงบทำไมนี่จะยิ่งเฮาอโลกนี่มันเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นสูงขึ้นไปมันว่าสูงขึ้นจะควอมโหข้อมโง่ก็สูงขึ้นจะนํา มันหดสูงขึ้นแต่ค้อมจะเริ่มข้อมเสื่อมมันก็นสูงขึ้นนําสูงเงี้แต่ก่อนไปใช้มาใช้กระดิญางเราเนี่จะเริ่มว่าดีมันจะเริ่มขึ้นไปใช้กีรถตี่เรื่อมันจะเริ่มขึ้นข้อมหาเงินทส่ไปอยู่คือแต่ก่อนโมไดเรียนต้องห้เก่งกว่าเก่าดีกว่าเก่ามีปัญญากว่าเก่าให้พาโดดเขานี่ แต่ก่อนวิ่ขขงข้าวรถส่ยยังลงดุยลงดุยเลยรถถังอย่างนี้ก็ไปมันเพิ่มขึ้นอย่างจังขวามจเจริญขึ้นความเติมน้ำข้อมไหลาามากข้อมดไปเป็นปัญหาในชีวิตของหัวเท้าทั้งหลายเป็นปัญหาในชีวิตของวกเท้าทั้งหลายอยากเห็นแก้บนหันบนคิดไปสักักากจะกมันกั คือดูพอเดียวเมีเดียวกันที่นี่ฝ่ายการปฏิบัติการปกคล้องด้านคิตใจของมนุษย์เท้าทั้งหลายประจําการปัฒนาส้นป่านเท้าดูกื่อหนักสนก็เกาเ่กรเกาเท้าน่ะเห็นหน้ามาสะเดาเพราะไหวแต่ก็คว่ากันกินแต่ว่านี้ยังปูกก็วัวจังนั้นหนึ่งสองนานหันข้อดตามตะแยวหัน อิตูสตนลิสาทึงวจะมีสดว่ากี่ผ่านได้ักษิเงียัยงเป็ของหวานสอดผลกบับเห็นหรอกจะ เ, เห็นวันยังไงแถวไหนใสหางโกยังง่ไปจงังทึ้งซ่านนี่ฟ้าเขาพักษเงยไปเซโอนแน่ผั้วนันหรอกกระดาษฟักักษเงี้ยไปหาขอเขาผูกเอาไปได้กระไรตัวพักอตูบน่ะโอ้ยคืาอิบุน่ของยี่ขาน้าปลามันกะือุน่ะบวพ่ใหามันลืมมัน มันอึดมันอยากมันบุมี่ก็เดี่ยวเฉพาะยิดใจบริภัฒนาึ้นสมัยหนึ่งมันอยู่จะไหนจะสบายอง่มังเรียนมหาอวยกันแง่ใบมันเนี่ยจำาะกรูงจำข่อยันนี้มาดูกันกินแง่ไก่สีขาว้เอาแซมไปห้าคนเจ็ดยี่หมู่เมื่อพ้นจินเขาเขาเงื้นบุมี่จอยู่ไรแต่สุขจินทุยางไงมันบม่จะเลื่อนึ้น ในสมัยนี้ที่จะเดนิแนแ่บได้สมัยนี้สมัยนี้เฮาไม่มีนนของว่าคือตะคอนตะคอก็ทุ่นสิเสียดแ้สุดตรับสุดับต้องห้องดุเพราร้านี้จะเฮาทั้งนั้นสมัยนั้นมันเป็นสมัยนึงความกล่าวหนาโบจะเลิ่นปู่เพื่อนไม่ใส่หนาเต็มนีม่อิตามันคล่องๆมันจะปุ่ดใส่ฟุบยังไงเกี่ยวมากหาดข้างมาแล้ว ให้แง่หสอนให้ยังนะบรงนงมามาเจตาให้คุณดูว่าโอ้ยมาเจสวนนัตรคุมายังนะมาขำมาคูไหรอกคุณดูว่าเอาอยัางมาได้หรอเอาขมี้อมีข ม, มดเอาเงือนเอาท่องมาให้จ้ะเผื่อเอามาบาบอยังก็บ า, ม า, มานี่ย วันเั้น ส, ส, สมัยนั้นสมัยมาสนเงื่อนนับเป็นสินเงื่อนแล้วเดียงเดาเดียงยาเป็นเดียวกับผันเงื่อนการเสือเอาขึ้นแชืเชื้อมาสินเงื่อนใหม่สินบ่อจกเถือบฟัดจ๊กเถื่อนนูทางมันเป็นวัดเป็นเม่นเป็นเหงือดกินกันมาหนึ่งมานึ่งเสือกจะอิจาเหมันตทท่อมาบวชเหงืออมา ถัาหัวมันสั่นปีนึงกับวอดบวอดอเคาะจะเสือมาที่ไปอยู่ก้นมดมานอนนอนก็ทีลูกไปโดยวไดีปัดวอดีขวดเหตุนู้ทางกินมานสั่นอิตฉเมันข้างท่องนะวได้วาเด่นซื่อเลยเนนั่นเนี่ยสมัยนั้นมันเป็นยังสงต้องอย่าค้นวได้ขืนบุงมาก เท่าดีแล้วจะเอาซุกมะหอเอาเงื่อนเอาท่องมะหอยนี่บ้าดาวน์ในสุดเลยสมัยนั้นคนมันมีบัญญาหารือตะหรือกูหรือบนไดที่เป็นบ้านห่างนี่ถาดนี่เจดี ย, จย์นี่บว ก, กนี่บึงยังห่างแต่โดนได้เกิดก๊กสิงเกิดก๊กสโน่เกิดก๊กใหม่แค่นี้ไงเห็นไห มีเถ้ามีเตามีปูมีปลาแถมย่านแถวเาเกิดขึม่เยอเท็ดยำแม่ไป่ไก่กับคนหัวดูเขาคล้องแม่ว่ากันห้วยเท็ดจะได้น้องเนี่ยนะหัวแค่์มีพันอยากเสียนเป็นกรบโบยาเราดอกใหม่คูหนึงเที่ยนนึ่งคนเด็กไปขอเปินหลงนเตาบน ฟูกเป็นอ น, นี้ขึ้นมาโดยหลักต่างมาเพื่อมาสันนะโริัทบริวานเพื่อ น, นสันนะเขาถือกันนะนาดกาอกไม้เิ็พาเข้อเบิงดูเบิ้งร้านเบิงหัวเบิงขั้วในท้อนเจ้าชิมเจ้าทานในดูร้านในเบิงเพ่อว่าเป็นน <c oughs> างออกเหมือนแรบนี้จะเสือนแข่ใจสีขาดต้งอง็ับฟูกขึ้นมาทุกตั เาใจสาพูดกันเื่อจริงม่เากพูดแม่ดีจนโอ้ยที่ันเ็นเเนยำันบอกไรบอฟังบอกแค่พูดขึ้นมากระบอกเตาพูดขึ้นมากรไร่นนนี้ไปขึ้น่านแขใจสิขาดเตาใจสิขาดมันพูดขึ้นมาอุอาบุนั่งยนมีนี่ที่เทไม่เนากพูดทานว้หาเ็นคนบคบหน้าง เนี่ยว่าน้องน่ยมันเสียดน้องน่ยมันย่ามันสักแลพย่างไอ้ม่เ็ใช่ไมนสักยึดเชงสันทังสีเนี่ยมันมันยิดบังไปสมัยนันค้นเขาบอได้คิดบได้ขีใจหน้าอาเหตุผลบอคือสมัยนี้แทนเนี่ยไปแต่ยางไปสระเน่ยมันกต่ต่างมันมันเป็นม่จังจัไปเมืองบดินก็รองมุงที่การเจ็บใหอดมือนึ่งจะให้เป็นได้ไห กา้รบไปรมานนองขึ้นแต่ัมจักเป็นเมืนก่อนไปทั้งสิทนั่นคือความก้านาเย่ห้ามอ้องห้าบมเห็ น, นมันเป็นเองมันวันสถานการณ์มันเป็นอันจะโนมาัามันดีเขาเองมันหมกทั่วกันล็กินบักท่วงปีบักโม่บมกแกงกินหมกโม่บมกแกงปี แต่พอหอดเดือนเขาเหตให้พูนเหตให้เขาวเวหตให้อันนั้นเนี่ยจั่งบริโมโมโรจิณโุ่งแกงบริจิณมุทัวกับบริกิณเนี่ยเนี่ยนุกินสูงยากมาหนุกนี่ยังางมันเหตเงินก็ะเรื่องค่วงขาดแค้นทั้งหลายคนขึ้นมาหลายมันทิ่งกันท่ากันเกิดมีปัญญ า, าเป็นคนโมมีปัญญานั่นเห็นอยู่กับบุญช้า บมโหาจกว่ามันส <SUS TA. S 1> ุกมันถุกโมโหจกว่าเขาสุกเขาถุกเขาพ่อใจบข่อใจยางไหนโมโหกยกตัวยางเจ่าอนอ่ะจะมากขึ้นโบา <c oughs> นจาคืดบ่ดล่ะนอกวมาคืดใดบ้างดีละมืองมานั่งรับตายมันจะเห็นผู้ใช้ลืมตาอย่งมันหมดเห็นคนนั้นกข้ามาเรียงนกเขามาเรียงนกผมมาเรียงมันจับดีปอเขากิจะขอจะเห็นวิธีกาจับเียงโมโหแจ จับอยู่สิเนี่ยคือครั้งมัปีมันจะจับเราะมันอยู่ในเน่านอนเบื้องกับจับจ้ยักมันจับเพื่อหยั่งเน่าโดยเฉพาะเลยคือการจะเส่ามันเป็นอย่งนั้นจ้าแม้แตนกขุนงูข่ามันถูกพ่อตายแต่ในเน่าคือเดือนหนึ่กันผู้มีปัญญาโอ้ยมันอยากออกมันมันจับมาได้ปีได้เดือนนะมันก็บโวด้ออกปีมันก็ยังบกเย็บโบกรับมันก็ยังบกทีผ่านนาะยมันถูกมันมันจับพวกเจ้าคนเน่าแต่เจ้คือไปทั้งไม่ มึงน่ามาเลิ่อนกูจะเอามึงไปตอจะเอามึงไปตอคนไปเมื่อได้เคยบานกตัวนี้โอ้ยบาปเนอามาขังตไวูนี่ยเคเจ๊นตัวไปหากินมาขุมปากขุมคอต้องเอาเขามาซอยหาอันนก้านูหาน่หาหนี่มาให้กินมันสะซับบริวารเหนื่อยก็คือบ่เคยเห็นนีคนมีปัญญาพอได้ปล่อยเล้ มัดปปลอยมัดพูนมัเท่านันตายคนอาจารย์ว่าเคยไปเห็นอยู่ที่นิ่หน่อยเอาไปปล่อย ค, คนก เ, เ, เ, เล่านั้นเนื้อเล่าอาจเห็นว่านกขุมนกท่าเล่านั้นเีงเอาไปน้ากันนะันละคุณจนเสียคอหล่อผุณปาดี๊นกท่าจังเลยไปปล่อยนกขุมจังเลยออกจากซุ่มนก <uk S 2> เขาจังเลยออกจากซุ่มคันเท่านันโมตายหมดเสียน้ากันคอหล่อเลย เงิไส่สีเไส่สีโทกหาบอเห็นนี่เห็นอยู่บะฮูเห็นอยู่หมูช้างหมูช้างว่าเขาคือเดีวคือเห็นแต่ว่าเขาสีโทกเขาหนำให้กินอยู่เขาให้กินอย่ไผ่สีให้ขังเดือดสีให้เขาให้นำกินเขาวบอแจ้งตัวให้เดือบลอยเขาไปจะให้กินเนี่ยทั้งไมไผ่ทั้งไก่ทั้งไปขึ้นนกขุมนกท่าหนิมันสีดีบกอนีไปหองนได้เด นี่เด oh ีค hmm. ือคนหมคืดกันพวกคืดเดี๋ยวพ่อมองเห็นพวกโอ้ยสงสารน้องมึงแตคือกููกับน้อมึงนี่กูยางวัดหมื่นวัดเต็มปันนี่มันยังโมสรยังบุนยังไหวอยู่กันไปค้างแกร็บขึ้นโนกเม่นกูตายบดคืดเดี๋ยวนคดเียมันก็ปล่อยโงกไว้ตนนั้นตัวนั่งแก่รืมหัวน้ามักินซ้ำเสื่อหมเขามันกินซ้ำช่วคอยโนกูกินมอวดเหว่าเอาน้ามอมันสียกเหงาเกือบตายขอกินกับวัดเป็นเมื่อกี้ตายเลยกี้ตายเหือ นั่นเลกว่าคนตาบอดบอดตัวเห็นอยู่มันหมู่จักนี้บอดหมู่จนี้นเพามนนันเจนัย่างเสียมโมหจักไปจ้งมามีกันที่กันโมจักว่านันพูนันพื้นบ้านนันพูนันพ้นเงอนนันบ๊วยบ๊วยพี่ว่วน้องโตกันคันข้อนที่จริงมันนั่นเดียวกันคื อ, อกันหมดทุกคนปุ้นหน่อยปุ้นไงธรรมะามันเจียออจารยนไปหอดผู้เถาผู้แกผู้หน่อยผู้นุ่มผู้ตุกผู้จน มันเป็นในบทสมัยมีกำลังแค่เท่านั้นกลังต่อการควมสงบต่อการควมระ ง, งับขันมันมมีปัญญาหลายเห็นเกลียตัวไรไสบ้านเมืองกัะเฮงหลอนเขาเน่งใช้กหอดเน่งใช้กะหอดแนะอุ่นไห้เขาใช้กะหดเท่ๆอกตักวกอดเท่ๆอกตัวเดบเห็นคนอ่ะโบเห็นคนนี่แจนแจนมุงจาัาแจน หมนิไี่ใี่เรื่องการศึกษาแต่เน iens, lonely, <c No. S 2> ่าหง em. จักโหลดโหลดขันไปเดนขึ้นไปนั่งไปว่างนั่งนกขุมนกผ้าทับตุ่มว่าัันพอข้าวเราลุกไฟเราหลอกงวยห่อนหุนเอาป็นเห็นเน่าไปขังกันนี่ว่าขุนช้าด้วยอืมนี่เป็นสิ่ลที่มันมอเห็นคนคนมอเห็นนี่นะขันมอเห็นโมนิน่ารักกับมเห็นสวรรค์กับมอเห็น ตกนะโลดกับวงหัวจไว่ทุกข์้องตกนะดดไปสวรรค์กับวงัวใจท้องไปสายนะ่ว่าเห็นอืมบาปมันเป็นบาปอยู่กับบวเห็นก็สดงว่ามันบาปว่ามีบุญว่ามีเมื่ที่ไหนจําเห็นนกข่ามันซับตาตุ่มเนี่ยทุกปัญญากับบวชเห็นทุกเนาะมันว่มีตุลว่มีตัอันนี้เท่กันมันหนามันคิดมันบังเท่านี่จะต้องพักนันศึกษามันสอดค้องต่อกันทั้งวันทั้งว่าทั้งบ้านทั้งเมือมันจะดี ถึงเมื่อเกี่ยวกกับธรรมะฟั่งเดี๋ยวให้ปฏิบัติให้เบิ้ลเอาไปที่เจริหน้าให้มันเห็นนุกขุ่มนกท่าให้มันเห็นศาจตาสว่าจริงให้มันเห็นปีเห็นหนองเห็นดุกเห็นหลานให้มันเห็นจรงเห็นถ้ำให้มันเห็นความจริงอืเป็นเลยสัตวเนี่ยการยัืองจะทำให้มันสะดวกการจัดถนนทางกันเมื่อนี้ ระบายวันมันกอมันก็นอกแต่ก่อนคยเป็นเนียนเป็นพระย่หันยุหันคยเดี๋ปลูกขุนละมารากใหม่กพราะอะไรยุหันห้ายถ้าจะเป็นน้อยๆก็ไปย่หันถ้าจะอยู่เก่าขวบเกี่ยว่าบบ้านนั่นวัดนั่นตั้ง่จยุหันแต่ที่เขาว่าร้ายขโมยหนีไปว่ามาอยู่ ไปสรงเถิดสร้งขั้ก็ไปดิแทะเมันก่อนน่ะหางว่ไรยังไหวจะงเนีผู้เถิดก็เถิวรถจะไปเถิดแต่วาเป็นเถิบุญท้าวีไสพัญญาปรมีหายในตั่งหอยมาหอยเขพักกันว่าว่าจะไปสั้งเถิดเป็นไงพัญญาปรมีพัญญาอุปปรมีพัญญาปัตมตาปรมีกีร i ปรมีกีรตอุปปรมีกีรตปัตมตาปรมีเถิดตั้ง ฟังเทศเพลินสั่งหนังสือเขียนจะจะสังหอมาสาตุเท่าไรู่มุ่ ง, งจะอ่านหนังสือว่ามันสั่งคำพี่ว่ามันได้บุญตัวหนูเพลนห้างเวิ้นเหมวอนงอ้นขันค้นมุ่งเรื่องแต่ว่าได้ฟังคำมาบันอาตามนี้ไปแลบสะ พกกระกนิมนต์พระมากมาอยู่เนี่ยพอย่ออยต า, าบนนี้่าใมาจังนรัดเอาเรม่งเผ่านทำมาอยู่นนรถรา่ารำจั่มท้อยซัวหมื่นอยู่ก็ดีพร <c oughs> มาอยู่ไหนสังขัยบอกเปล่ า, าเอาเอางเข อ, ออกเกี่ยว ก, กับไก่นเดียวอยู่นำ้ำ ม, มีสิ่วาเกี่ยวของน้งข่อยข่อยสังขัยเอาเองข่อยอ ย, อยูวัดเจ้ายูวัดเด็่าเกี่ยวของน้องไอยเห็นยัง อืมตั้งกีเป็นต้นรถวะโหเรื่องกันสมือนี่อ่าเปรี่ยวนี้วัดรนห้างไป เ, เบืองไม่ออกพอออกเสราจตัตวเตาเรียนห้างน้า น, น, น้าน้ากุฏิน่ะกุฏิมันเถาเห็นมัน้ยไฟสั่นามันกระเท้แล้วกุฏีมันกระพัง เจ้ากับพวกกินเปนยังงาอยู่นเหมือนเรียกว่านั่นแหละนี่มันเถาเจ้ามันกัดเถาแขนมันกัดเ่าแกงน้มมันกัดเ่าว่าเป็นตะบนจังแน่วอือแต่ในเบิ้องในพุทธิวิหารกับในวัาพุทธิวิหารมันเถามันเป๊ะเบิ้งเจ้าของเบ้องเนี่ยแต่วันผมหมอข้าวจานพานตายแต่พอดีจริงๆเป็นสายใงพุทธีเรื่อถึงหลว่เ เตุเนี่ยเหตุเนี่ยยูงมี่มมติแถวเนา่าช่อวัดเนี่ยแล้วบอกว่ากันไดยังแด้บ้านเอาไปมาอยกเอาไปขับเอา้ปกวนไปสุดเด็กก็มาหาตัวระบาดไเดินๆมอนเป็นวัดบ้านไปเท่าเนี่ยกันภาคกันเหตุนัํากสบเหตนั้นมีรอกมันกุศลกุเทามาตั้งถ้ำใหม่มาเห็ุใหม่สร้างสก่อร้างอย่งมั้นยังอกสงสาร ก็ฟังจ้วนเนาะาเนก้เป็นมันย่างอยู่ก็คืออยู่คือเก่าอยู่นี่เร็จอยู่คือเก่านี่ั้ละวันน้ถอน้มงันที่เปี่นิเปไปจนเ่าจนแ่พัฒนาใจพันานวาโหชัแค่หอ่งเนาเขานป้อย่างนีไมร้าม่เงี้ยมันมันแกไปขายเอาออยู่หันอ่านฟังป้าอย่างไน่าอไร่น้ วัวได้คึดน่าไมไ่เงียนีนมันถือห<อ><อ>รือว่าถือเนาะคือการะล่าแฉมันฟูขึ้นมาเนี่ยจะปูคนไหนพู ข, นนพขึ้น ม, นมใ า, มนามให้เวอร์เงินเนี่ยวัวมีไฟจะขึ้นบาหวันมันใจสิขัดมันก็ฟูแหั่งบุญใหญ่จะเสืออะไรก็ดีวัวมีไฟคึ้นเมื่อจะฟูจะฟูสักทีสันี่มีกระ่าฟังเสียแต่บนก็ฟังอย่างสังนว่าหูเรื่องหัวหน้าบงจักรการละการเดียนเนี่ยมันก็ว่าเกิดประโยชน์มนคิดมีการ อยู่ไปจะซื้อบา น, นยังน่งเทาบนเนมันเป็นการเรื่องเทาบด้พัฒนาเจ้าของขคนเท้าคือกันขันเป็นคน้นหดเไปเที่ยวจังหวัดนั่นไปเที่ยวเมืองนี้เมืองนั้ม น, นมืองนี<ม>้เลยโอ๊ยโวฉลาดบริพนาเห็นแ่คือกันก็ข้นบรพัฒนานี่ยนั่งอยู่อยางไรก็คือเป็นาาน้ำบวานน้ำเมืองอลุกจะให้ไปหน้าลุกจะสั้นมาบาม้านหยิบันเห็น้อนอยู่นนเงื้งยนี่เด้อว่าจะ้าม่าจะขน เมือนอนวันย้อนเนี่ยโตื่นแเนจเสริมโมทันเขาจะเสืินแต่บมได้คิดบมได้อ่านบนัน่นที่จะหน้าบวญชาร น, นัน่นการพัฒนาโมทันต้องหูุจักการดูุจักสลริหนุูยจักกาละเทศะพระโพธเจ้าคนสอนพระกันรืมหูรืมตาน่าเฮ็ดอยู่เดียวนี้มันแห น, น่วเนาอมันขื่อว่านอนเฮ็ดเป็นไหนที่ิตเท่าเกิดมานี่มันจะขืสมบูรณ์ นั่วคนก็อ้วนิเงินเพราะว่าหัวมันไดมากยึดแวเงินดีเนาะยึดเงินยัง้อิการงานเ่เงินแตกินเงินันยึดทางบากันดสิจะยึดถึงเงินเงินมยึดยาบรว่าว่ามันโมไดเพชรโมไดที่จะได้หน้าวัดผู้อื่นเพร่ะว่าวัดเพชรหวัดแวเขามาน่งินพได้ไงวดบวกตัวนั้นต้องฟาดเอาสั่น นอกเดยยวอัญม่าเคยเป็นเล็กน่อยไปวันคุดเพ็งเด็กตอนนี้เจ็บไปหนึงมันปูดพักยน่นี่กันแน่วงเขี้ยวปันเข่าเลยโยว้ยโคตรเลยไปติดแหนไปหาป่ากิมาานมาเงี้เมล็ดายาอัญมาอัญม่ากด็เป็นเล็กหน่อยเนาะไปนักชนมรีกวาักพักเจ็บตัไวป <laughs> ไปสั่วมากสั่วนึเลยไปรักของเก็บดี เมื่อวาเข้าม่เ็นตเจ็่วยก่อนยเห็นแน่าลักของเนี่มันขึ้นไปจังไงก็ขึ้นว่าเจ็บปเ่กาเ็บเ่กอย่างไมกจ็ก็บขึ้นวตดิดนโดโดมาดักเอางที่นะเขึ้นเจ็บก็น้าวยบอขึ้นว่าได้ยินใช่ที่สนใครไปลักของเจ็อืมเจ็บไปงกันได้ที่น่ มันว่นนั่งจอว่ามันือนควจีนันุ่นสีมาดีกว่าภาษาเจ๊กวะภาษิตเต่านี่เขาบอกว่านักไปเถิดอืมเข้าบบสูกต้องหนดบเเดือนเดือนนั่นเขาติดต่อจากการเหตุการณ์การท่าของมันติดต่อกันมันขนาดผ่านเท่าเดียมือแรงแไปผูมือเซาไปวงมันเจ็บไปกินข้นหมดเอามว่ามันดื้อแตไม่บอกให้เดงโป่งจใบมัน เตะอดสอดนี่เป็นไอ้ออกจมป่าป่ามาหันเนี่ยปล่อยมันนิ่งมันเนื่มาน่พักบัววอนเืิอเอาไปกินนวดเราก็ไปปลูกเนี่ยนกมาจห็นมัวิ่งปัญญาตอนกันไปดักของจิบวันหามหอดตลาดเมืองวารินหั น, นเห็นมาหันในรถปาตัวใหญ่เตกเอาไปกินวัดแล้วเตะกระเขาขีา่กังเขาพักใส่ป่าจสแงเ่เม้คนให้ด่ไปแ ง, กง่กินเป็นกันว่ได้กินบัได้ใส่ มันโบมีสัญญาเชิงต่าอันนี้คือการมันร่นโมนิพัฒนสัญาทังเจ้าของชือมอร์นี่โบเหตุเห็ุเัิงต่างโบหลายตัวเองจังเพราะกา ร, ร, รดึงหูดึจ่าดึงเล็กลุงเต่าเจ้าท่านการท่านสมัยนี่เรื่องอันนี้อันนี้งมัน่นแต่ผ้ากันเหยียดเยียนเจ้าของหัวเศร้าตัวอย่างเหยียดเยียนนเหยียดเยียนตัวอื่นใช่ไหม <c oughs> ที่ที่นี่ลักขุธศาสนาเชิงวัฒธรรม ธรรมะกันใช้ปฏิบัติเด็วก็ดีได้มีเจมวพิษกันคนเดกันเหตน้ำพินบหลักกันมิชากันโมพัยาบาทกันบ้านนันเฮือนนันธนูักธรรมะนักพัตนาใจเบ็สี่ดี่ยป่อยเลยค่าในคก่าเด็ตีกันบ่มี่หรอกเป็นคนเศร้าเป็นคนย่อมเป็นคนหูจักการปฏิบัติอือนั่นคือคนมีบุญผู้จักบุญผู้ักกุศลอือมีสงก่าเป็นพุทธบริษัทของพระธ well, so so well. ิจ right? ัก <int> <On your own> พระพุทธเจ้าต้องการอย่างต่างการมี่ารสานต้องการคววมสงบสย่างต่างเยว่าธรรมะจริมีคุณค่าหลายทีที่เขาท้าหนึ่งสดีบัตบ่อน้บ่อน้าแบบที่มีพวกนี้บินเป็นห่นข้างไก่ห้นข้างนี่ยครับประกันจังใจไหวเหมือน อันตรามันนี่ไม่เพราะหลายประเดนนึงถืามาเบิงมาหน่ำมันหน่อยซอยกันเบิงซอยกันแน่ไปมันเหมือนสิบีคุดสมุนไช่เนยยังฮนนันเยอไปฮะเยอะปนี่จริงจริงแต่เพื่อเทียบให้ฟังเนี้ยว่านสิปฏิบัติให้บอกคือคืออย่างไร่งจงอรประกันต่างอกสใจเพไหวอันนี้ประการหนึ่งหรอกถ้ามาเหมือนนี่กคันมาเน้อยากอบมติดต่อไปเนีสักหน่อยนึง อันจามาเนี่ยเคยตั้งบรรตาม า, ลามและรูจักการเสื่อนโท่งของวัดรูจักการเสื่อมโต่งของพุทธบริษัททั้งเขาออกไม่ออกใน <c oughs> เมียงว่าจักพอสมควรระบอบกีฟัาสันติลิงไปพระพุทธองค์บรรสอนมาจ่าเหลียงงัว ขันเอางัวนขามฝากแน่น้ำกายมือจะทามันทามันสิดความง่ายมันสิดความไปได้ไรง่วนไรกล้วยไรยโค่ลูกหันมันติดร้อยขามฝากสบายถ้าหากว่าโวมีปัญญาวันไหนแต่ได้ขามันงงโดดมันะจะตกสะค้องตายว่นเดียวมุน่นน้ำไปไรพัดต้งไปพูนทั้งใจฝนมันติเป็นอันตรายบอกมุ่งเฮาคือกัน การนั่มเจ้าของนั่มบริษัทนั่มบริว่านั่มพอออกไม่ออกนั่มขอบนั่มคั่วพอบานเมืเงื่อนขันโมขนาดในการบานการเงื่อนขันนั่มดูนั่มดานไปสู่ความอับจนไปสู่ความทุกข์ยากนั่มบากไปสู่ความเลือดตอดวงหัวจักสอนดูวงหัวจักสอนดานเจ้าหญิงเป็นตนขันมันเจ้าของง่วก็เดียกว่าวงหัวจักทาทาบนในสื่อสมควรในง่วงในข้อยขวม ไปถูกอาชานําเรื่อเรืแต่ระวังกระดิ่งสั้นๆกระหงวกระตกกระดิ่งตายถ้าเป็นพุทธบริษัทกับือกันนับถึงเจว่าเป็นผู้นําเป็นผู้นํำครอบครัวหรือเป็นผู้นาเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนัลเป็นนายอำเภอเป็นจังหวัดตลอดเป็นมณฑลถ้าหากว่าผู้นําบ่มีค้อมืเดียวบ่มีข้อมือด่า ประเทศนั่นอำเภอนั่นตงตำบล น, นั่นก็จะเลื่นเงียดบากอันเกี่ยวข้าพน้นําี๋วเที่ยวก้บพูประพุะทธปฏิบัติจ า, ม, ามีก็เที่ยวคนนนนี้คนอื้คนนี้นนี้คนนี้คนน่้คนนี้คนนี้คี้คนน้นนีงคนนี้คนนี้คนนีงคนนี้คนนี้คนนี้คนนี้คนนี้คนนี้คนนี้คนนี้ค้คนนี้คนนี้ แตคือเต้นจะหน่ายคอน่ายขอนั่นเห็นว่าตั้งเป็นตบานม่เนรีจะตัแต่ตน้งนี้ตัวใบานคุทยอ้ัยู่บ้านนงบบ้านคัวานั่นเดิี่ีเพราะว่าเห็นตในบ้านพุทธเอเป็นตบาลบ้าไวด้วยบ้านตรกบ้านถ้าาความเข้าเห็นต้องเป็นตบาลน้องกันทองอยู่บ้านแต่ไงเป็นโงไในบ้าน สำหรับพก่องในบ้านสำหับดูแน่ในบ้านดูเต่าเล่าร้านยืนหาจังใจไป็นคบ้านดับขั้คนวัดเาเป็นเจ้าของบ้านมันจะเร็วอยางไรนี่มันง่ายถึงจางคน้วจางความเพี้ยงการงานทุกททุกอย่างแบบเชิไม่บ้านต้องายัเป็นอาีของคนที่เนตันจอยตังข่อจอยกันที่เป็นเียบดีดายได้ของถืมในได้เ กุ่มพ่างนั่นแ้ะบางย่งที่าจจะง่าซนี่มันต้องพมแล้วกินเนี่ยบเอาบาดโดเอากระโถไปยด้วยไปือไปด่ากันมีมาซยจุของยจุของมันกรแลไงการงานที่ท่าจะสามสมองหมดไม่ท่ามจิตมที่็จนี่ที่หุดว่าเป็นหบอกว่ารงานเป็นดากูน ถ้ามะมันก็ตอยคนไหนเป็นมีสุดกระทัดรัดสุดกระทานนันหลุดเข่าข้าตรงขี้หรือจักวนใหม่เป็นเสียอันนี้คือการเนาเป็นลูกวิถีนักปฏิบัติเลือดในวัดนี่มันไปเสมอมันจะเริ่มพพกษาการเลืยังไงจะให้วัมนี้เสมอจะเริ่มมันต้องเลือ้มันถูกต้อง เมื่นั้นมันคิดเมื่อันมันถูกต้องมันก็ถูกต้องอันนี้ที่นั้นคิดมันก็บมถูกต้องมันก็บวจะเรื่องเรื่องมันยูชีวิดชีวิตจนบกวืมานนั่งนี่มันคิดหกกับอจะท้องบ้านบกวนบเซตที่ยงเซกระปกบ้านท่โวจะเรื่องกับพอคนในหมู่บ้านวัดโวยจะเรื่องเป็นนัคู่ยุวัตศรัทธาเหมืนกระจายคำข้ังคำพิ ก็ิี่คนตรงนะวัด น, นึ่งมีอัหนึ่งไปตสองไปโยมเมื่อสาคัญกันอนี้ต้งเรีนถูกต้งกันยึจะการงานเะไม่วัดว่าอาราพีเาดจเตรียมทวัดถถูกจะเล่นดีจะเล่นร้าจถึงวหนึ่งคู่อยู่วัดสองคูอยู่นอกวัดคไปตา การงอ น, นมันเกิดสึ้นมากเ้าแกว่าอต่ถ้าบัดรน้าของมันแะ่รกวบัตรเท่านึ่งสิ่จีสี่ว้าไรเจ้าแกมันมิจิจการนิการนิงนเกิดขึ้นมากเทาจะต้องนิสัมาคิตอจกันรักษาไอ้ที่วัตถุทั้งหลายถึงจะเกิดขึ้นได้สูง คอยกันท่าหในการคอยกันท่าในบานนี้การงานจ้างกันแม่ขอทำงานนั่นว่าได้เจ้าไปทำงานนั้นมันก็ว่ได้มันก็บริแต่อขเห็นงานนั้นได้เขาจะเห็นงานนั้นเป็นหน้าที่ของของครูบาอาจารย์ดูแลกันดูแลกันหากคนนึงว่าชนาในการกระท่อมันนั้นอะไปท่ามมันก็ว่าได้ ที่คนนี้แต่ยางที่้าแม่เขียนหนันหนนสือเหตุบรไดไม่ได้จัดจออสารกัะท่อจริงแต่เราสารกัทพ่อคนณนึงไสันกับพ่อว่าเป็นให้จัดในไทยแตจัดเป็นนร่งท้องเลือดดำเดลือดแดงเอาไปเขียนหนังสือจัดเป็นของไม่เป็นจัดดีออก คือกเขาเอาดเขาบักหนิมันเป็นยังไงเนาะอีหนิมันเป็นยังไงเนาะคุณจับยึดสของดุอ่าตกองกระพุ้งดุไว้มันจะเดินมาการงานทุกิีทุกอย่างกิจจะเป็นวัดหนึ่งมันถือว่าเป็นขั่มสำคัญเปนการออกซ้อมสป็นการงานแบบที่แบบนี้ในสมัยมันกัมาอยู่อยู่วัดตะโพงที่ใดอยู่วัดตะโพงพ่อคนก้อนไหนอาย ข้อมือีนขางครอบควุมข้างอนึ่งตรงนี้ข้างมันที้แต่เป็นเอื้อยงอโเต็มรือ่าคุดยินข้างใหม่ก็จะเป็นใหญ่ข้าดแต่เอบ้บาคนบ้านนึงบ้านนี้ที่บ้านเขาดความอยู่ยงของเงินเป็นข้นบัดาลของเ้นบางคนก็ว่าใสบายใจ แตมาเอาเอาแตมาคิดเยอะยบนมาลิมผมมาเเลยมันพอนนัคนก็ตรใจว่าเออสมุน่าาไเลยนี้องุน้ำน้งยเยกเจ้าเขียนนัง่เสียด้วยคือให้เเห็ังไรเราเคิดด้วย่ียนียงไเอามาใชจังไรเดยวก็ไปซักดอกคนที่ไุบยินคนที่จอยกันยนื้ข้ามเขาหันไปมือเปนที่ นั่นเป็นีุปจีดีของมันเมื่อเข้าใจจิตต่รเรื่องนมาเด็ดพัดกันก็มีอย่างตนนี้เขารียเป็นเพียงถูกวเขาเรียกเดื่ออกไรว้าวไปจะเห็นเพื่อเป็นยหน่อยว่าเขาจะเสื่ยวกับที่จะบดีกันถึงแม้ว่าอันธพาลยันไง้ได้ค่าคณะมาหนึ่งสั่งสมูก็ได้สั่งปรัดกระใดใบดิสตากระใดอันธพาว่าบสำคัญ บัตรธรมาันนี้เป็นสเลยเบ็ดตะโพนยืนเดือดกาเลยเบ็ดตนยืนประดับเลยเดผู้ไรมันเดือหม่เนควารแฝงก็คือเป็นกะเอานต่างมือข้ามวเรตมล่ระเหตเครื่องจักรก็เน้นเป็นขันนี้เป็นหู้หนาขนี้เล่ียงคนประดัอีกต่างประเทศหายน้ามีกากระเพิ่มธรรมะบงเราให้ะดานช้างน้ยแต่เยั้งหนึ่งคนยื้จักรไม่คือใจสเป็นยืดคนยืักรนี้มันจะห้ยซึ่แต่ก็บอกค่เรว่ากัน การเข้าไเพราะว่าการในวัดต้อยกันกันเขาข่มจะมาขี่แตนีมันกระเด็นอันนี้จะเข้าไปอยู่มัมันนี่านี้เป็นะหมูคนเป็นปรันเป็นใบดีกาไม่ช่นะันอันเบี่ยงของใบดีกากะใบดีกากฮมันเบี่ยงประรัศกันระรกเตมันเบี่ยงกะมูกนเต้แล้ว่าจะขีเ้าเอามาน่บนนังคนบดกากะปัดน์ม่นมาร่วมกันจีนบดเออหอไ อันที่สันางานแน่น่โบตองเป็นปลัดโ่ตองเป็นใบมตาโตองเป็นเมูด้วยกันยังอืมคันเรีงบ้เ้ยทาข้างเนเต็นเเต๋อยู่ค่องหน่ตันทีทังข้าง่กินมาเวเนาไปส้นแจีงกับึ้ต้กันเลยเนาะเน่าก็ด้วยกันเนาะตันทีทั้งข้างข้างานเนาะสวยก็ใคไดินี่บ่ันทีทังข้างเรื่องานคบเอด็ว่าอุ้งคีใส่ผีมี่แต่ได้บอกเอาไปเทียว่ม่อานวัดคน่น ห่วมันจิตจเพราอนอยู่หันมวยบนั่งก็จ๊งเง้นไม่จ๊งเงี้ินเจีคนอย่เอาจะมากจะเงมีสัเไมเจีงประมาเราถือจริงจรงมันเจียมากเนี่ด้เนเลม่เจีงเาถือจรจง่มานี่มาใส่ความโมโหแต่มากินคึกแต่มาล่างหวยนิดสตินะอาจมาจะเีงบบนี้เจีมันเจี๊ยงจิงแ่เมื่เบียบอะไรเ นีอเราครมือ่าามใช่นี่เคีระใช้เคลียร์ต้นเคลีร์่อนไม่หมดปเนกอย่างบ้านาเฮ้าก็กนนออก เ, เื่อกันไม่ออก่อบคน้นจะดีการเคลียร์เมื่อกี้แต่มันจะเล็กอยกันเถอะตอยกันค้ำประการที่สองข้าไหายมานเลยใส่เลยเนข้าวใส่เลยใส่ของก้นหายมากหมดเลยถ้าพ้นเกี่ยวมันเสียมมันเสียม ่ไม่ออกเท่าท like ุกคนเอาของมาอาจจะน้าของดีดีหนก็น totally ี้หน่อยอาจะหน้า้จารกันหอเอาขอดีมากไหมถ้ไม่ขายซุปอาจจะหน้าด้วยเงินไปก็อมีเศษไกกินบ่ายบ่ายก็ไม่ออกเด็กเียดที่เขาเรียวยมากโอ้ยจนมันิดคอนไปส่งกูนาะเด็กเขียดห้าหนาวไม่อยากเรามามีเดยกกับซับท่าไท่มันเสื่อมซับท่าไ่ทั้งหลายเนี่ มันเส่อมก็โคบิเือยมีเพื่อนของในดงขั่วห้าไปสิงกันคนพนี้สร้เก็บมะหอยมหอามหยมะหอยบ้านีเจบออกนม่ก็ไปกินเนี่กันมาหนึ่งถึงหนึ่งก็มาถึงนึ่ส่เจ้าเนบ้ามาเรไปด้วอือเจ้าเข้ามาเห็นเส็จเขาพูดสัดเขาเนี่ยมึเ่ะไจะมาหิวหิก็บตัวใไม่เนขัวเดิ อ๋อเตล่นเลี่ยไแล้วเอสอืมคือเปลียไปแบบ้างนี้นันก็บออืมนันคความเปลี่ยนไปนบ่นโมเดลเปลยอืมนู่เราเปนของมันไเป่นเสื่อมําบากเี่ยอันนี้มันหนกจริงๆต่ว่มันเรี่ยงงี้ยเดี่ยโตเงี้ยแบบนึงไม่จัดบมเป็นอาหาว่าเฮาจังใจเอาบุญเอาศีลเอาภาพมาหนิเพราะกันทวหน้ามันดีอืม อย่างนควบคุมของเจ้าของควบคุมเจ้าของเนี่ยมันเป็นเรียงเนี่ยสุดๆเรีงโต้ไม่ใช่เรียงที่อะาเกบใจข้าหน้าเก็เรีเข้ามาดวยเข้าหูจับเขาจับครียงที่ม่น่าขี้จะได้หน้ามีเวลาควมโลกควบขวดต้องเรงมันเสิดขึ้นไหมอันตร้ากันนี่นะมึง เลี่ยงเจ็ดเงื่อนเชดห้องเจ้่กนเขาเดจังกรรมฐาเนั่หละเช็ดจิตไปจิตมาจิตไปกิตมาวัาก็จะเห็นนาเทพันตรอนเขาเดือดหอเดือดเมื่อนแต่จะคุ้นข้าอยู่คึกกันแต่จะคุ้นข้าวอยู่คึกกันเน่ยเอาหอยเดืเช็ดบุบบุบมรดกเทพันที่จะเกลียดแต่ก็ไม้คิดมันสื่อเดเมื่อร่ำมาเละไปเนี่ยเขาเกลียดข้าวเดือดยืนเมื่อนวาริมันจะกลีย้าวข้าหนวหวัดจะเกลียอข้าวเหนียวหวัด แต่พิฆาจัางหวัดก็จค่นมังคีกระจางบนอจะมันจะเสียไปอีอย่ง อ, อันนี้เขาใส่มดนั่นตะบนมาอืมอันนี้เป็นเหตุนี้มัน เ, นนน เ, น เ, เสื่อมเลยจ้ะมันเสียมันเสียไปมันรื้อโค่นให้ได้แต่การเสียมันนีกองแสดงกองแสดงถึงค้ามบนสุดทุกอย่างแต่พระชายมันเสรียม อันนี้เสนเีเส้นเหยอันนี้อนี้เนเหยียดายานถึเราโกัหลาให้เากันเอาบุญเห้่กันนี่ก็ตีกัดพเดีย์การงานหรือไปตลอดได้พุทธเดี์อันนี้ก็เนเหอันนี้เส้นเหยีเนียใบ้านนี้ให้เตรียมเส้นเหยียของโตเสีก่อนสามารถีกันมีวัน้มมฝากเีหน้าน่าตื่น กีน่อันกกาีบการณ์แขอดขึ้นตินดบจังฮึ่งัอันาอัปราหนูีหนูดีเค่อเ้าป็นหนูีบาดนีหนูนึงมใส่หนูดีปรดนหนูีหนูดีหนูองหนูห ในชิ car, hmm. with, ้นกรรมการเดนเงื่นเป็นจะเอาต้งประดับตึกต้ออนั้นก่อนเดินีเลืองอะไรกันเวลาชื่อว่ากรรมการยอดอยาบันกอนี้บนตังอนี้บันถมันจะมาเรียกไหมบ้างสุขีนยันต์ที่เป็นประจามาจามมาทีงกันบ้านหนี่นีการนีงานบรียกตมากประจางใส่ั่งใส่ไ้ไว้ก็งมีใจดีนั่งกันมอ สมเด็กแมาปร๊บก็สวาเ่าสมเ็จพระสวามากสม่าสว่วาจ้างได้ไม่ข้อมักรันขี้กันมาืูด่วนกันไม่ใช่จังคือกรรมการบริเวณมื่อใส่ยะเกลือกนี่ใส่ใสสบานี่ไม่มีอยางเหมืบางคนง่ายคนนึงเน้นคนที่เหินมากแตีิเน้นคนที่เห็นมากแต่เฮ็ดยิ่อเก่าข้าเอาบริเเอามาบรเเอามาดีแล้มันเกี่ยเก็ดอะไรขึ้ทุกคนอย่างสบายสะดวก ยังนิ่มจะดีขึ้นอืมอืมเจ้าพุธเจ้าวันที่สามีนี้ก็มีไส่ปาไก่ป่าแต่ไ้กองบัดต้องมา่งด้วกันเจ้ามันจะทำไปเรื่อยันนี้ลงคั่วลงจังไปอยู่ที่เนื้อด้วกันเขาดสจ้ามาเตอใสๆเอาของมาเตียนเต่อข้าวสำนักหนเนี่ยไม่ได้ไม่ยังเคลียรอ ก็ b a n y ัตถุจิด็ดยังสิมันก็บดี่ยนเป็นอันนี้มันอาศัยความโลภโง่โอ๊บ่อใดท่านบ่อใดเนเล่นเหรอคุยเลเหรอเด็ดเด็ดเตรียมลงกเด็ดัการเตรียมนั่อ่เงี้ยมันผิดย่บ่สมคับว่าเฮานงใ้มาผิดบ่ใ้ยงอ้างจกันจทำมันจะกันกันจะรืนังกบต มันโมไปแน่เหรอมันเจะเป็นจเป็นจะอย่างมันโมไปมันเป็นังเหมือนเรามาี่นะเห็มันดีเหนเ็ดเห็มันดีเอ็นติดฟองแบบนี้่างนีจะดีนี่จะดีกรรมันได้ถือห้าเห็ดไปแล้วเนาะมันถบายบนมันมันมันถมคิดเอผ่นนั้นถูกเบาบนคิดมันดีนะท่านมันงั้าถือห้ากลางเราจะห้าม่วงคว่ำ ดวงดวงเดืย็นตเดือดเยนเต้นันคือหายก็ดก็นอนก็คหาหาก็ดีใจอยู่หานันหนึ่งนหึ่ันเนี่ยจริีเียวกนหีเกียกเล้ยงวังประโยชน์ตนก็ประโยชน์ระชาเชิ้ั่วไปกรรมอนไสี่ห้าเด็อดเดืเนี่ยองเบ่งเน่ยไปนอน่ยกมาทางหลังเยมาเบ่ง่สบายใจอมดนมาเห็นเลยจะล้องอะไเือนล ใจมั่สบายมันกบมันเก้ามนอันนั้น่มันยังคนนีเวลาใจคนนี่นี่เวลาจะเข้ามาละองโกจักอยู่ตรงนี้เฉยๆอยู่ตรนี้โกจัก่ลาของคนเขยู่บนโกจักเสมอนี่เขาสบายแต่หาเหาว่าทีสักตุต้นนี่คิดว่าสบายอยู่หันละอย่างเท่ันี้เขาถือโกจักตัวอยู่หันนั่นถ้ามีคนนี้โกจักสบายทั้งเดือนได้สิธรรม การมวยรัดไก่กันมีประเดี๋ยวมันสบายด้วยประเดี๋ยบรอดไม่ติดนะฮะเป็นอยู่ประเดียดรอร์นว่ไม่เรียงงี้มันสบายควบสบายเหมือนทีมันถูกจองห้างขีเสควาเมืนมเบียดดรอร์ดคิดนีความคิดในใจของหน้าไหมันน่าหลบจกนลบบมันจกเลมันตกน่าหลบจกเนี่ยฮะเนนาหลบแดบนั้นเนี่ยเอาห้ามพักันที่หนาากันเพียงควบเพียงควบประเดี๋ยวในวัดว่าอารามเป็นแบบ ย่างอัจฉมากเนี่ยเป็นภูมิประคองเงินที่ บ, บอกฟังนะอกต้กีฬาอ่งนี้ใช่ไหมแม่ญาติไ่อมขายจริงขายของมาเนะี่เอามากอ ง, องนนกนกอนเนีขนาอจฉมากกวดโจงอัมากเนี่เอาดู น, าาดดนี่เจ๊เอาเงิอไปดูดเลยหมดหบดเยอะอัจฉิมากสริงไปกวดบ่กเขามี่งังยมาติดตดกระดักเงหนึ่งนา่ถึงแม่ธนาตานี่แล้ว นี่คือครบกี่ันอาจจะมากแต่จะน้องยั่ต้องดูงั้นหนาเนีนยังตงกันเสียบต้องกันบมเสียต้องกันยีนต้องกันบมยีนต้องกันสบายใจอื่ขันขันนึงอาจจะมากแต่เนี่ก็พิเรากันอยูเนาะขันคนเดียวมันใน้ลองดีนี่เนี่ยเฮ้ยนี่ใต้องพอเขาใจ่ต้องพอแล้วบ้านนี่ต้องพอได้เป็นจี่โบเลยอี่มันก็คืออาจะมากแต่ระวังระวางระวังตัวเด็กนั่มนั มาว่างหลายปฏิบัติเจ้าของนึ่งมาว่างสิ ang, ่งของว่เแล้ม so no no no ันบุ ool, to to ้งอย่งเยอบอกเยอะบอกเยอบอกเยอะบอกบ้านนย่งแ่สบายใจบ้างสบายใจบ้างดไม่ได้เป็นบุญเป็นผู้เสพมันจะน้อยแต่สบายมันสะน้อยแตสบายบ่านนึงอย่างทั้งยากจะยนม์ตัวคนเท่กันที่สร้างเท่าไหร่บานจะเอาขึ้นมาอ่บีไปโผล่ขึ้นในใจเราเรา เป็นไปออกเข็นต่อกุไลหน้ากุลาดึงนนได้กิได <calam ari, S 2> ้เขาไดังความเงสรามสามมันกิได้สินันมัจักมันบริสุทธิ์นั่นหน้ามันบอกแล้วก็ย่างเบาเขอย่างมาเขาย่างตอนนี้หรื่าเจ้าขี้เขาบริจาคเตอนเขาอย่กัตื่นเลยย่างมันบ้าย่างมันีการปฏิบัติงานราชการเขาเนนหน้ รูปกายก็เรียนมากตังเกิดไอ้นี่เป็นมันั้งหูหนูจะคใหม่มัน้วไ่จาดีอะไร้งตัะวนี้ตงเกดจะเกดเล่าว่าจะเกิดให้ว่าจะเปิดพลังบุ่นนเป็นกานเป็นหาาเราคิดเขาได้เงียบดีมันจะมีรายคนคิดไดเงีายมันก็ได้นี่เปนเหตภาวนา คนบอกว่ามันหน้าเหมือนอย่งมโหเดียบโมโหจะจะโนมันเป็นอ่างีเพราะฉะนั้นบ้านวุ่วายห้ามทำขัดขันที่จะได้เจ้าที่บอกว่าคนยึดกต่บอกว่าคนยึดไต่ยู่พราะคนยันไต่พราะคนยันใต่พรคนันไต่ในท่องิจมั้นเป็นเพียงร่วมเมื่อสี่ขวได้มันแน่เป็นใากให้มันผ่าแ้วจงคนยึดไต่ ที่คนนู้นคนคนนู้นสีคมนู้่ีได้ไม่หรืองอนก็จะได้คนน้ดีสบายิมได้ยงอก็ยนิ่งงอนงนส่เขางอด้สบายนี่หันน่ไป้ง้วเขาี้นชิะดึงเงินกะเอยิ่งนอานงนัน แต่หวะอันตราส้มเท่ขายกหวัดต้องโยกพอยู่ที่มันในคนดีจะสีหน้าการดกว่ามันแตบดีมาหลายเลยอันตรายเป็นอรรถได้เปงค์ง่ายขันพอได้บอดีจะเกินกันได้หรืออนกราอนขึ้นมาเกี่ยวางานยาที่จริงอย่างเข้าใกเลยเข้าตกรอนบอกอโรถเนี่ยตังสามแบบประเดีบอกหม หมดทั้งอาวะได้มดทน้งงานมันแต่นีที่สุดเนี่ยคืยงเนี่ยคนนั้นมันเะคิดสงสารคนเขาจะคิดจะได้รายแต่แ่ไม่นยุดิดอย่า้คนที่น้องกันบอกคนคิดคนผิดเลมันดีไปมันเดิกถ้ามันคิดไปแต่ว่าบอกแค่แค่ย้ายยังหันแต่มาว่าเนี่ยว่ามัน่ดีหอกที่อาศัยใครมาได้ก็งันคิดก็ว่บอกกันย้ายยังหก็บอกกันตัดหัวเอาตายจะว่าเป็นห้าคนไป มันมเมียนหมมันโมเมนห้นุ่บอกเถอะยูหันคิอจะน่ากลหน้าอเนี่ยไอ้่คิดไปบ่านี่ยจะเอาไปที่กรานอาจารย์จะไ่คิดกระสคิดก็เป็นอาจารย์ก็ะดับพอเลยข้อหัวน้ำดูกระดับดูเลยข้อหูน้าพอก็ดบคุณหมอเป็นว่าปวดตาด การไปการไปอ้อมเข้าออมเข่าคิดว right. right. ่าอะไรกสศิออกยังไงนี่คือจริงอะไรมันห้ามต้องอนูได้ไหมพ่อนมันจะเพี้ยงการจะไหนมันจะขลอกก็รอมนออกส่ออกจะไหนนั่คิดว่าอะรแต่ห้ามังไงมันถือก็ว่ากุศิออกยังไงนี่คุล่ะรโยเรองของพระสงฆจักจั นี่เหตุผลมันโดมนะพราะนันเพาะไงอลยนะีอยเนื้วัดที่มันมันมันกันเป็นเาเลย่หมันโดมลงมันโดกลมันมีพูดออกอยู่ตรงข้ามต่อ่ออยู่แต่ผ้าผู้เผาผู้่าเลยเพื่อนนั่นนิดน้อยนิดน้อยแค่ไหนจ้าแลควาวมีเป็นไงข้างถูกกองเป็นไง่นยมไม่ทาบผู้เผาด้ยพื่อนเพอนอยู่ฝั่งตรงข้ามกอือ เห็นที่เราวันนีอเหรอไม่ตักันวองเลยแล้วะห็นเจ้ากูโตกูใหกูโตกูใหญ่กูโตก็จะเข้ามันได้วยเห็นกูสู้ได้ไหมมันกูเห็นมันเป็นอยู่มันโมลงหลายแล้เหนไหมที่อันนี้คือกม้อมันลงทุกย่างเ่ะมันรีบมันหนุ่างว่ามือห้าพองกเต่าเยอะแยะหนึ่งขนาดไปยืมหาคิดพิ่มคิเนคิดเจ้่จะขอได้ไ มื um galaxies, ่อกี้นไปควบสายตาแล้วเขาเบี่ยวปากสกุกันได้มเบี่ยปากสุให้นังเยไเลยก็ได้เงี่ยเพาะง่ายรได้เบี่ยงมื่อกว่าังเปียสายตาเ้างแบน้เข้าเี่ยปากยันจอที่เี่ได้เสียงกันยงมืนเงียมือเทาเมี้็นดูนี่เงี้ยเสียงน้ำดูพทคนก็ว่ไไงนี่นั่นหักนันบุญม้ทั่วทัวคุณที่เปี้จะทำไงทำไมีของราว่างสนมันที่จะน้อมีใจาจะได้จะเงินคนไห บอกเอ็นบ so ังไซยี่น่ะเซนไซบังยิบุนเบียดฟางก็จังงี้กระินหกับจังตั้งสัที่ระนาธินผู้อื่นหายงห้องนี่จัตั้งใเรื่องที่จระนาธมีต่ห้องพิจาาอยู่ข้องดูคิดอยู่ดไมประจําบ้านของเจ้าของนี่เป็นท่นี่คือที่ใสทํามะเป็นเ่องที่งจะคิดอยู่จคือยู่จะดีในตัว เนีคุดมันเอนี่อย่าไม่เล่นเศร้าคุดจิตเิเป็นยังไงเสวิตเศร้าเวตเนี่ยหนุ่ดีนะเสิตเสวิตนี่ยหนุ่งดวนะเิตปิตแบบสรางโครงการไบบจิตแบบจันกาองเก็บของแก้ปัญหามันจบมันสิมันเมืองมาามันเมือไม่เลาเจ้าันแก่อึเด็ทำให้เรามันแก่เมามันอ ันโอ้กังกันอค่อนใจเนี้ย okay, ม, มืนว <im g ly> ิ่งอค่อนต่ำเนี่จีแย่บ่เ้ยข้อคิดข้อมันคิดจกษตรกรรมยันแม่นั่งแย่มันจ้าคนละเมื่อนี่ผีขอนเขานี่ยมัน่ำนี่เอาแย่บรรเทาวันเนี่ยมันจีบกันหมดนี่เราจะเดือดกัหาข้องูพิษนะมันจูเข้าไปโดยสังเวเป็นเป็นผาดของกันหาเราเจ้จะเสียเอาห้ากันทีนึ่งห้าันีเจ็หน้าเดียวนี ใหมันเกิดประโยชน์ม้นี่ถอยางให้มันเกิดประโยชน์จะต้องคิดไปถกว้างรักพุทธศสาป็นหาเปนสอนกันสีสอนนั้นมันงดปัญหาปัญหาเกิดขึ้นมาเจ้าจะคล้องให้ันไดบุญไหว้ขึ้นม่อจ้าจะค้องให้มันเกิดอันเจ้าจะคล้องอยเข้าวันหน้าก็มาทานที่วันหน้าเด็กที่อย่า้นี้ผู้ตายทม่อย่างนี้ผู้ต ยืนหน่ออ้เไ้นายมันัดมันหดพ้อยอย่างอย่ร้มง่มจักตัตายอยู่ไหนามันมันที่สมมติว่ตายแล้วนีจะาเต้นตนิสมนใ้งตองอบสวนต้งพิจาราที่มีขหน้าเรื่องทั้งเดองสีรื่อมันดีใจใหามันสบายให้มันเบิกบานแต่ถ้าาติีือเต่ามาให้มันเบิกบานใาแก่ข้อคิดเราใจใจข้มันบานเหรอใจมันบาน เงี us, aman, ้น่อพบกวดพวกนั้นสบานโอ้ยจมี้ยเจวกขวดพนกน้นนาะวแต่คดยี่สบต่อหังี้ยเงีนตายเหตาแตะมนบเวงขวมันมเงเงื่อนเป็นซานเลยเกม่จะบปวดไลพ่อนุนเป็งี้เลยนเป็นจังที่นังจะจางจังถ้าที่จะได้หน้าั้งน่อยางนยันเป็นธรรมะรักรรมะมันบอกให้หึงกธรรมะเลยสมองก่อนง่อนเสนเป็นี้เป็นมนุษย์สะสมทกวันหนึ่ง มนุษย์มันก็ปสุมนุษย์านั่นก็เป็นมนุษย์นันก็เป็นเป็นมนุษย์กัในทนก็นหนึ่งุทธอนันนึอริยท่นันนงมันหลายขนหายข่วจริงอันไหนที่เาบ่กเน่ยจากมันหลายสิ่นีมด้เหาคนหายดในีเือนเนี่ยถาผูมีธรรมะด้ดูเ่ยคุณเนมีวันประคุณวันวัดปะคุณวันให้คนคนจัดสนเดินไปตั้งนร มันเป็นอย่างนันแขนบันบุงไหวบันเนินุ้งบ่อนบันบุงเหลี่ยแขนน่มันจีโตมันจีนหลักูคนกระแทต้นเมื่อไหร่ท่านวุ่นจะเปนใจได้จริงไร้ใจหอบใจหอบหน้าไปหน้าก็คือคิดแต่วมนก็น่าพมใจน่ะพี่ชายแม่เอาวันนี้เนี่ินแ่ท่านเป็นดอยเป็นทานเป็นเงินเป็นทองต่อ นใจว่ามันอขั้มตะกินนั้นมันเท่านักขาม้วนเตหหน้ามราันถูกจอกแล้วเป็นปมีท่น่งเป็นปูโดิอันเรื่องมดิฟงจะไปเอสมันจิจิตใจจะไปเจอสมนมันสียเยมันไม่ดีไปหนาคิดเสียดยมันสบายเรื่องโมดิฟต์มันจะม่สบายหน้าอย่างเรื่องมันจะไม่โิต์อรมณร่งคิดว่าขั้มใจจบโตรมณ์ื่องิตายเสียดเดี่ยวจะโมิต์อารอ่ามันคิดใจของเด็กของ มันเกิดสำเนืยิดสองขั a, ้นตัว wow. ยิตสองเจตของเงนนคิดเงินเงินคือเงินบาทเงินบุญเนเรียกเงินมันจริงมันน่มันนอนมัหยมันเป็นไส้หย่าัน่านเนั้นมันก็จะดีเใจดีสมานี่เืออาหารสองหยุดใจสองเจตของแก่ไม่เป็นยุบันยาวข้อมือข้ออแล้วข้อมือเต่าข้อมองใจแล้นใจสองเจตของ เหตุโน out hmm. ้นมันคือเขาจะเลี้ยงไปแล้วเนีกยคิดจะหากระดิ่ดอกหนึ่งนั่นก็จะมาเป็นก็จะเป็นะายเรียนปฏิบัติธรรเรียนจนสั่นหายงายไที่เรียปฏิบัติเดี๋ยวห้าหาเกิดขาดไม่ในขาดหนาเกิดขาดไม่ในขาดหนึ่งสาดหนึ่งเขาเกิดมาเจโน่ยบมูอเดือพอเนมาเพลิดงพลินกับอยู่ในขาดที่สองใช่ไา ตามเมตตาเมตตาเป็นคูเ si ป er eh? ็นอาจารย์เป็นฟุตขาจานของพระนเรนบันใช้บริการทําหน้าหาจชีงสนไปนี่นี่ี่นี่ดะขาจัดจากที่ยดายเย้ยยินดายระเบิดตัมหิดมันอะไร